วันนี้จะได้พูดถึงเรื่องส ต, ติในอิริยาบ ถ, ถาเป็นเรื่องแทรกเข้ามาไม่ใช่อานาปานส ต, ติแต่ต้องปฏิบัติ เรียกว่าปฏิบัติด้วยกัน <c oughs> แล้วก็จะต้องรู้จักปฏิบัติไปตั้งแต่แรกตอนแรกๆกจะไปพูดตอนสุดท้ายของอนาปานสติมันก็ก็ไม่ไม่ถูกเพราะเดี๋ยวนี้ต้องปฏิบัติแล้วคื <c oughs> อการปฏิบัติอนาปานสตินั้น ทำในอิยาบทนั่งแต่ที่จะนั่งอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ไหวผู้ปฏิบัติอนาปานาสติมันก็จะต้องเปลี่ยนอิยาบทนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องรู้พร้อมกันอีกทางหนึ่งก็เป็น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 นั่งปฏิบัติอนาปานสติทั้งวันมันก็ไม่ไหวมันก็ยังต้องเปลี่ยนด้วยการเดินสลับวยการเดิน <c oughs> เพื่อแก้ไขเหตุความหวยคบหรืออะไรก็าตามหลักใหญ่ของมันก็มีอยู่วา่าจะต้องมีความรู้สึกตัว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 จะดูธรรมะวางอย่างพร้อมกันไปในขณะที่เปลี่ยนอิริยาบถเช่นความไม่คิด่งเป็นต้นก็ต้องฝึกความรู้สึกตัวทั้งก่อนแต่ที่จะเปลี่ยนแต่กำลังเปลี่ยนและแม่เปลี่ยนเสร็จแล้ว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 มันก็วิง่งเหมือนก็วิ่งตามหรือกัดไม่ปล่อยน <c oughs> ี่คเกียร์าอานาปานสติแม้ว่าจะเ <c oughs> <c oughs> ปลี่ยนอิรยาบทอย่างไรก็ไม่สูญเสียไปในส่วนอานาปานสติ แม้จะเปลี่ยนอิิยาบทอยู่ห้าสติในลมหายใจก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มี <c oughs> สมาธินั่นมันก็มีเหลืออยู่ในลักษณะที่เป็นพ้น <c oughs>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 ที่นี้เราก็มีเรื่องอิยาบทเป็นหลักอิยาบทที่เป็นหลักอยงหญ่งก็คือเดินยืนนั่งนอนเดินยืนนั่งนอน <c oughs> นอกนั่นก็ถือว่าเป็นตีกย่อยจนจะรับประทานจะฉันอาหารจะอาบน้ำจะพูดจะทายจรราระภาษาอะไร แล้วแต่ว่ามันจะทำอิยาบทอะไรก็รักษาความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นไหวได้ดีที่สุดเลยกลายเป็นโลกทิพไปเลยที่ทั้งหมดกลายเป็นของทิปฮนะนี่จึงต้องรู้สำหรับเปลี่ยนอิยาบทให้สำเร็จประโยชน์ ไม่ให้เป็นอันตรายแก่สิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะคืออานาปานสตินั่นเอง <c oughs> นี่รู้ว่ามันคาบเกยวกันอยู่อย่างนี้ใ <c oughs> นทีนี้ก็จะพูดถึงก <c oughs> ารเปลี่ยนก า, าร ปฏิบัติในส่วนอริยาบทโดยเฉพาะโดยเฉพาะรู้เป็นหลักวไว้จะได้ใช้ปฏิบัติแทรกแสงเมื่อไรก็ได้ยังเราไปปฏิบัติที่สวนนอกแต่เราก็ยังต้องมีการเดินมาที่นี่นี่ จะต้องใช้วิธีของอิยาบทเกี่ยวกับการเดินห <c oughs> ลอดเวลาที่มาที่นี่หรือไปที่ไหนก็ตาม <c oughs> เรื่องอิยาบทโดยเฉพาะนั่นก็ว่ามีสติสัมปชัญญะ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 ก <c oughs> ารรู้สึกอนักตาเป็นต้นนี่รู้สึกอยู่ทุกทุกอิริยาบถหนึ่งหนึ่งนและทุกทุกส่วนย่อยหรือส่วนที่มันแยกออกไปของอิริยาบถนั้นๆ เช่นนียกว่าเดินเนี่นี่มันก็เป็นอิรยาบด์หนึ่งแต่อิริยาบดเดินเป็นต้นนี้อาจจะแยกได้เป็นส่วนส่วนส่วนส่วนแม้แต่ก้าวขาครั้งหนึ่งเนียก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่แม้แต่ก้าวขาครั้งหนึ่งมันก็ยังมีแยกออกไปให้ละเอียดเช่นว่ารู้สึกว่าจะเดินรู้สึกว่ายกขาไอ้ยกขาขึ้นมา แล้วก็เสือกขาไปข้างหน้าแล้วก็จะเอาขาลงนี่ <laughs> มันก็จะเป็นสามจังหวะ น, นะบางทีมันจะทําให้ละเอียดกว่านนะั้นก็ได้รู้สึกก็จะเดินเตรียมยกขายกขาขึ้นมายกขาขึ้นมาสุด แ, แล้วก็เสือกไปข้างหน้าข้างไค่อยค่อ ย, อ ย, อ ย, อยแล้วก็สุดแล้วแล้วก็จะเตรียมจะลงแล้วให้ขาลงนี่ ระยะสันส้นๆสันส้นๆหลานนี้เรียกว่าส่วนย่อยของอิยาบทที่เราแยกมันถ้ามีสติสมัมปชัญญะทุกๆส่วนย่อยมันก็เท่ากับรู้ทั้งหมดอ็คือละเอียดทั้งหมดนี่ก็เป็นเคล็ดเป็นเคล็ดเป็นอุบายที่จะทำให้เรียกว่าอะไรอัดเข้าไปอัดความรู้ เรื่องอนตาเป็นต้นเข้าไปเต็มที่เต็มที่เลย <c oughs> มันก็ยอมผ้าเมันยอมมันทุกเส้นได้เนมันก็จึงจะถึงที่สุดที่นี่มีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษน้อยก็คือเรื่องว่า มีคนคิดเรื่องหนอหนอขึ้นมาเนี่ยดีดีเหบานกันถ้ารู้จักชใช้ถ้าใช่ผิดก็เสียเรื่องหนอถ้าใช่ผิดก็เสียถ้ารู้ชช่ถูกก็จะมีประโยชน์ <c oughs> คือมันเป็นเรื่องเน้นเน้นเน้นเน้นด้วยความรู้สึกว่าหนอนะแต่มันมันต้องระวังว่าเน้น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 ก็ <c oughs> ยึดมั่นในการเดินยึดมั่นในตัวกูผู้เดินหนออย่างนี้มันผิด <c oughs> อย่าสอนกันหยาบยาว่าเดินหนอเดินหนอต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไอ้เนาะเช่นั้นมันเน้นความมีตัวตนหรือเน้นความยึดมั่นในสิ่งนั้นไอ้เนาะที่ถูกต้องนั้นมันมาจากความรู้ที่รู้แลวมันเป็นอะไร คือรู้ว่าเดินนี่เป็นเพียงอิริยาบถเคลื่อนไหวของร่างกายตามธรรมชาติไม่มีตัวกูผู้เดินไม่มีตัวกูผู้เดินนี่เรียวกวาจะเดินด้วยจิตว่างก็ได้ไม่มีตัวกูผู้เดินรู้สึกแต่ว่ามันเป็นเพียงอิริยาบถอันหนึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติเท่านั้นเนอะนี่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 ถา้าเดินหนอหมายว่าหมายความว่าสักว่าญญาณวนเดินเท่านั้นหนออย่างนี้ว่าหนอถูกหนอถูกหนอผิดนั่นทําไปตามความรู้สึกสามัสํานึกของคนที่ไม่รู้อะไรว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอมันแน่นว่ากูเดินหนอแต่เดี๋ยวนี้มัน รู้สึกว่าสักว่าอริยาบทเดินเท่านั้นหนอมันเน้นความที่ไม่มีกูพูดเดินไม่มีกูพูดเดินมีแต่การเดินหรืออิริยาบทเดินนี่อย่างนี้เรียกว่านอถูกยืนก็เหมือนกันสักว่าอริยาบทยืนยืนเท่านั้นหนอว่ายืนหนอไม่ใช่กูยืนหนอ มันจะมีผลตรงกันข้ามไปคนละทิศละทางทางหนึ่งมันจะย่อมหนักข้าไปว่ามีกูผู้เดินหรือมีกูผู้นั่งทางหนึ่งมันจะสลายออกไปว่าไม่มีไม่มีกูผู้เดินผู้นั่งวิจอยยาบทนั่นนั่นเท่านั่นหนอนั่งก็เหมือนกันนอนก็นเหมือนกันนี่นเป็น ทาสติเลยไปถึงเรื่องอนัตตานั่งอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นอริยบทอันหนึ่งเท่านั้นเนาะก็เป็นนั่งในจิตว่างนั่งในจิตว่างไม่มีอนัตตาซ้อมความไม่มีอนัตตาตลอดเวลานั่ง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 ีเรียกว่าติดต่อดุขาของสติได้เหมือนกันคำว่าหน อ, อนี่สมาธิแบบยุบหนอพ้องหนอนเขาทำกันมากให้เรามีอาณาปานสติสมบูรณ์แบบนี้แทนแทนแทนแบบยุบหนอพ้องหนอ เพียงแต่คอยืมหนอมาใช้หน่อยแล้วแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ไม่ใช้ก็ได้หนอหนอนไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่ชอบแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกอำนวยความง่ายได้มากเหมือนกัน บางทีจะเลือกแต่คำว่าหนอหนอหน อ, หนอคาเดียวก็ได้เท่านี่หนอเท่านั่นหนอไม่มีการเดินไม่มีอะไรก็ได้คือจะไม่ยึดถือในการนั่งนอนยืนเดินเสียอีกก็ออยิ่งดีสักว่าอิริยาบดหนึ่งเท่านั่นหนอไม่อยากจะเป็นยืนเป็นเดินเป็นทางนี้ก็ออยิ่งดีสักว่าอิริยาบดหนึ่งเท่านั่นหนอ มันจะเคลื่อนไปเปลี่ยนไปอย่างไรที่ไหนก็สักวันิยาบอหนึ่งเท่านั้นเนาะเดินจากที่นี่กว่าจะไปถึงสวนนอกทำได้มากทีเดียวถ้าใครทำได้โดยไม่ขาดตอนมันก็เก่งมากพรมันมีอะไร แ, แทรกแซงทีนี้ก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเอาเอาเอาสติอันไหนมาระวังความปลอดภัยฮะ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 เหมือนกับว่าเราทูฟันไปพลางเนี่ยจิตใจก็คิดถึงอะไรก็ได้แล้วก็ยังถูฟันได้ไม่ถูผิดผิดถูกถูกแล้วถูอย่างถูกนะฮะสติก็ทําได้ในการถูฟันในการคิดนึกอะไรได้ฮะเพราะว่าจิตมันเป็นของไวมันติดต่อกันได้ไวเราก็จะเดินได้โดยปลอดภัยไม่ชนไม่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 มันเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็ไม่ไม่เสียไอ้ความรู้เรื่องอันนี้จังทุกคั้งอัตตาอยู่ทุกขั้นตอนด้วยเหมือนกันคือมันอยู่ในหนอ้นั่นแหละในคำว่าหนอ้ะถ้าฉลาดก็แปลแป ล, แปลความหมายคาว่าหนอ้ะทมันหนออะไรอะมันหนอหนอ้ะใน ความรู้สึกที่เห็นจริงอที่เห็นแจ้งเห็นจริงให้หนอนในอิจาบทเดินก็ได้แต่มันก็หนอในความรู้สึกว่าที่เดินนี่มันก็คือไม่เที่ยงอย่างหนึ่งแล้วก็มันไม่ใช่กูเดินมันไม่ใช่กูเดินมันหนอนในอนัตตาอยู่ด้วยเหมือนกัน ก็ทั <newly jour amo> <c oughs> ้งว่ามันจะเห็นว่าอนิจจังนี่ม็มีความทุกข์อยู่ในตัวก็เลยเห็นได้ทั้งอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเป็นความรู้สึกส่วนลึกที่นํามายอมแก่จิตใจให้มีสติปัญญาเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตามาก กว่าธรรมดามากกว่าธรรมดาเ็นจะพูดได้ว่าอุ้ยมันรู้สึกตอนนี้ยังทุกครั้งอนัตตาเป็นทุกอิรยาบททุกเวลาทุกสถานที่แล้วมันทุกวินาทีหรือทุกครั้งที่หายใจออกข้าวแล้วก็ทุกกระเบียดนิ้วทุกกระเบียดนิ้วของเล็กที่สุดทุกวินาทีทุกอระอ ทุกกระเบียดนิ้วมันรู้ฝึกตัวทั่วพร้อมรู้ฝึกตัวทั่วพร้อมถ้าปฏิบัติชนิดจะมันแยกซอยละเอียดออกไปซึ่งจะต้องกินเวลาพอใช้เหมือนกันกว่าจะทำได้ <c oughs> ทีนี้ก็จะพูดถึง การจําการแยกซอยน่ะจาแนกแยกแยกซอยออกไปให้มันเป็นส่วนน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยอ ย, ยกตัวอย่างอิริยาบถเดินตัวอย่างที่พูดแล้วมุจกีว่า แยกซอยออกไปได้เท่าไรมันก็เท่ากับศึกษาอันที่จังทุกครั้งอนัตตาเท่านั้นด้วยเหมือนกันเดินหนึ่งเดินนี่คือหนึ่งริยาบทหนึ่งริยาบทแยกมันเป็นสองแล้วว่ายกเหยียบมันก็เย้ะสองก่นั้น ถ้าจะแยกให้ว่ายกขึ้นมาแล้วย่างออกไปแล้วเยียบลงไปนันก็เป็นสามนี่ <c oughs> ยกขึ้นมาเรียมจะย่างออกไปก็ย่างออกไปก็ล้มก็เป็นสี่นี่เป็นห้าเป็นหกแล้วแต่ฉลาด <c oughs> แค่สี่สี่หรือห้านี่มก็มากพอ อ, กอยู่แล้ว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 เมื่อยืนอยู่แล้วจะนั่งลงก็รู้สึกก่อนว่าจะนั่งแล้วก็ลงมาแล้วก็นั่งแล้วก็รู้สึกจะนอนกันเหมือนเดียวนี่มันก็จะนอนใครจะนอนโดยวิธีที่สะดวกยังไงก็ว่าจะนอนจะนอนมันก็มือค้ำมือค้ำแล้วค้ำหนอแล้วก็เอ็นตัวลงไป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 การฉันก็สำคัญมีปัจจเวกเกี่ยวกับการฉันอยู่โดยไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดอยาิยเป็นสิ่งที่ต้องทำโดยทั่วไปเป็นปัจจเวกขภ า, าว น, นานี่เฉพาะอิยาบทฉัน้ว ร, รู้สึกว่าจาฉันเตรียมตัวที่จะฉัน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 มันจะเข้าไปเตรียมจะอาบน้ําจะอาบน้ําจะอาบน้ําอืำแล้วก็มันจะหยิบขันน้ําหรือว่าจะเปิดก๊อกน้ํามันก็แลกแต่เรื่องมันรู้สึกตัวตั้งแต่แรกเข้าไปก็ทั่งผัดผ้าผัดพอนอะไรเรานี่แล้วก็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 หรือนิมิตที่ปฏิบัติมันก็เป็นการถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปหมดนี่ทายจาระก็เหมือนการ้าเป็นนักปฏิบัติมันก็ต้องทำอย่างเดียวกันแห่ะถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติมันก็ทำอย่างที่เคยมาแล้วเลวอยอย่างเด็กๆทำนี่มันก็ไม่ต้องมีรู้เรื่องอะไร หรืออันภานทร <c oughs> มันก็จะโมโหโทโซหรือมันก็โกรธใครด่าแจ้งใครไปท <c oughs> ัาเลอกกับอุจาระก็ได้แ <c> ต <oughs> ่มันมีโรคภัยไข้ขเจ็บมันถ่ายไม่สะดวกอะไรมันก็สูญเสียสติสมชัญญะ <c oughs> มันมีเคล็ดนะ <c oughs> อุจารานี่แปลก <c oughs>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 ลงไปจะทําอะไรก็ทําด้วยสติสัมปชัญญะหมดให้มันถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่สูญเสียวินัยเกี่ยวกับการถ่ายนี่แล้วก็มีธรรมะฮะที่เกี่ยวกับการถ่ายฉันอย่าประมาทอวดดีไปแม้เรื่องถ่ายจาระก็มันยังมีทั้งธรรมะยังมีทั้งวินัยเห็น เรื่องวินัยก็ศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไรจะไม่ทำผิดทั้งในวินัยและทั้งส่วนธรรมะเมื่อถ่ายทาระเบ่งแรงนั่นมันชเพียงจะผิดวินัยมันให้โทษไอ้วินัยที่มันเกิดขึ้นนี่ก็เพราะมันมีโทษในการเบ่งแรงพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยข้อนี้ เป็นเศรียะไม่แบงไม่เบ่งไม่เบ่งแรงเบ่งแรงมันให้โทษมันชวนให้เป็นฤทธิ์สะดวงหรือเป็นอะไรง่ายก็ได้ <c oughs> เป็นโรคชนิ ด, ดใดชนิดหนึ่งก็ได้นี่ก็พยายามเหมือนก็กลอบโยนให้มันค่อยๆ อ, ออกมาบางทีมก็เสียเวลามากกว่าธรรมดาก็มีแต่นานไปนานไปมันก็ค่อยๆชินค่อยๆชินเ <c oughs> มื่อทายการ่าเป็น ระเบียบก็กำหนดเวลาสองเวลาอย่างนี้ก็ทำได้มันต้องออกมาได้๋้าปล่อยไปตามเรื่องมันไม่เป็นระเบียบทีมันไม่ทายวันท้องวันก็ได้ <c oughs> ที่นี่อะไรจะพูด <c oughs> ก็รู้สึกซะก่อนว่าจะพูดจะพูดเรื่องอะไรก็ระวังวินัยเหมือนกันนะอย่าไปพูดหยาบคายอย่าไปพู ด, พดชนิดที่ไม่ควรเอยจะพูดจะต้องมีความควบคุมไม่พูดขัดแยง้งไม่พูดอะไรเป็นส่วนวินยัยแล้วก็พูดด้วยสติสัมปชัญญะอทั้งโดยพยัญชนะและโดยความหมาย ระวังพูดแตยถ้อยคำที่สุภาพสติสัสมปชัญญะระวังพูดแต่เรื่องที่ควรจะพูดอย่าอวดดีอยากจะอวดแล้วก็พูดไปนี่มเพ้อใ ม, <c oughs> มันองการป้องกันในความเลวร้ายได้ทั้งส่วนวิใ น, ในัยะทั้งส่วนธรรมะนี่เรียกว่าจะพูดนี่ยกตัวอย่างมาเท่านี้ เรื่องอื่นๆก็ไปเทียบเคียงเอาเองจะไปทำอะไรที่ไหนในบาลีมีถึงก็ว่าจะนิ่งหรือส้าไปจะนิ่งก็จะหยุดพูดมีสติสมใัญญาหยุดควรหยุดเมื่อไรหยุดอย่างไรเราหยุดนี่กันว่าทุกอิยาบทเลยทุกอิยาบทเลย แล้วก็ไม่สูญเสียไม่สูญเสียความรู้เรื่องอนัตตาเรื่องอนิจจงทุกครั้งอนัตตาแล้วมันจะเลยไปถึง อ, อ, อสูตรยอดของอไัตาตาถ้าปฏิบัติอยู่ในเรื่องอิทัปปเจตามันก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นเหละการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ ทุกขั้นตอนมันเป็นอิทธิปัตต